أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على ص ل อ و ฺอ م ลลอ ك ฺอัลลอฮ ن ا ัลลอฮ ل อั ل ลอฮ ح อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั บอ ش رح لي صدري و ي س ي ر لي أمري و ح ل ل ع ق د ة من لساني ي, ق ق ي ف ق ى قولي ربنا ظلمنا ف ن ف س ن ا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله إنكاب เรามาถึงครึ่งสุดท้ายของโซโอัลกิยามะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้พูดถึงอายะที่อัลลอฮซุบฮานะวะตะอลได้สอนท่านนบีมุ hammad ซลเี่ยวกับมารยาในการเรียนกับจิบรีลอลลอฮลามในการรับวะฮิยุรับอัลกุรอานว่า ไม่ให้ท่านรีบร้อนนะครับแต่ว่าให้ฟังจิบรีจนจบเสียก่อนแล้วจึงจะอ่านตามนะครับ ولا تعجل بالقرآن من من قبل أن يُقْضَى إليهُ و َ ح ي ُ ه นนี่เป็นคำสั่งในอันยอตอื่นนะครับที่บอกว่าเจ้าโอมหฮัมมัดอย่าได้รีบเร่งในการที่จะอ่านอัลกุรอานก่อนที่วะฮยุของมันจะ จบเหมือนกับว่าก่อนจิบริลจะอ่านจบว่าคุว่าคุณรอบบิซิเดนีอัลม่าและจงกล่าวขอดุอาว่ารับบิซิดนีอัลม่าอันนี้เป็นด ع อ ء ที่เราเองก็ใช้ขอได้นะครับรับบิซิเดนีอัลม่าโอ้ Allah โปรดเพิ่มความรู้ให้กับฉันซิเดนี อัลลฮรบบนินี่คืออายที่อัลลอฮฺซุบะฮฺราะอานะได้สท่า น, นาบเป็นอายที่แทรกเข้ามาระหว่างเหตุการณ์หรือระหว่างการที่อัลลอฮฺซุบะฮาะถานได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันกยมันะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างไวันนี้จะกลับมาสู่โหมดหรือภาคเหตุการณ์ของวันกยมัอีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อเกี่ยวกับวันกยมัของมนุษย์ อีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮอที่นะครับเนน ว่าจะรَูใِอَลกิร่าโจรุ่ยย์ว ل َที่น่าด إِلَى ห้รับให้หน้าดีร่า <س ؤ ال> و ู و ู و, و ์ يومئذ باصرة ت ل ن أ ن يفعل بها ف ق ر ة เَค่ ذ َ่ถ้ ل ت ลังัติ ل م า ر ์ ق ่าทีَ่ะมะรั ق َ وظن أنه ا ل ف ر ا ق والتفت الساق بالساق إلى ب ิ ك ي ا ي าเม ا ิ้นีลมา ا ั่งอัลฮัม ا ุลิล ل าห์ ل ل ه ลอฮฺมะซีบ ع ا อัลลอฮฺมะตุบฺบะดีอัลฮัมดุลิลลาห์ لا เบลทูฮิบะาเัก กัลาก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนลองย้อนกลับไปหาดูสิกาลาอะไรล่าสุดกาลาอะไรกัลาก่อนหน้านี้ฮะกาลาอะไรนะกาลาบลยูรีดูใช่ไหม ก็ไปดูสิอายเท่าไหร่กัละใดกัลลาวัรกันละสิอกัลลาวัรหลัก่อนหน้านั่นก็มีมีไหมกันละไม่มีกันละมีว่ากี่ครั้งอ่ะเบลยูรีดุลอินทรนอลจรม เพราะฉะนั้นจะพูนสันยาว์วัยหน้ัลลาลาวซร์แปลเป็นัลลานีลมรบนีัลลาบัลทฮิบูนาละบอกแล้วนะครับว่าฮารฟัลลาเนี่ยเป็นการตัดบทนะตัดบท เรื่องราวหรือการคาดคะเนที่บรรดามุสริกีมคิดไปเองคาดเดาไปเองกันละละวะซั่ก็เป็นการตัดบทไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็กันละเบลทูฮิบูนลอาดิละเรื่องราว ไม่ได้เป็นเช่นที่พวกเจ้าคาดคิดกันหรอกโอ้เรามุสรินที่พวกเจ้าเชื่อว่าไม่มีการฟื้นคืนและการตอบแทนเรามาดูตัฟซีดของอุุกาซีรตัฟซีดตัฟซีอนนี้ได้สวยงามมากนะครับดันบอกว่าไอ้อินนาม ا يحملهم على التفذيب يوم ي ا م ة م خ ا ل ف ة ما أ الله ع وجل على رسله สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัม الوحي ال الحق والقرآن العظيم إنما أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم um لا هون متشاغلون على الآخرة เหมือนกับเปนการแฉเป็นการกระจานะครับว่าที่พวกมุสลินไม่ยอมศึกษาตัวนอาเชรัตเนี่ยสาก็คือ สาเหตุก็คืออะไรสาเหตุก็คือไม่ยอมที่จะเสียชีวิตยังยึดติดอยู่กับโลกดุนยาเซ็งอายั์นี้ไปอธิบายเพิ่มเติมอายั์ก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮฺซาบอกว่าบบลยูรีดุลอินซานุลยักจูรอมเนอมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะทาผิดอยู่เรื่อยๆอายั์นี้มาอธิบายอีกรอบหนึ่งกันละ ที่พวกเจ้าเป็นอย่างนี้ที่พวกเจ้าคิดแบบนี้เนี่ยสาเหตุก็คือตัว uh ุบูนัลจละเพราะพวกเจ้าเนี่ยยึดกับดุนยาอัลอจละก็คือดุนยาอัลอฮจละถ้าแปลแป ล, แปลตามตัวหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้ทันตาเห็นอะไรที่มันเร็วดุนยานี่เร็ว ลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคำว่าอัลลาฮิละในความหมายของอัลกุรอานอิสลามมนุษย์มองอาคครัตไม่ออกเพราะมันอยู่ไกลก็เลยไม่ปรารถนาที่จะกลับไปหาอาคครัตแต่ความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมันเร็วไงมันเห็นเลยเราก็เลยเอาเฉพาะสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่ Allah Taala บอกว่าในอาคราตในสวรรค์มีความสุขอย่างนูน้นอย่างนี้เยอะแยะมากมาเยอะกว่าดุน亚เนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยเป็นล้านเท่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นดุยาไปได้เพราะอะไรเพราะเรามองไม่เห็นอัลอาชีรอแปลว่าอะไรวันห น, น้ามันไม่ใช่วันนี้ไงตรงกันข้ามกันเลยอัลอาจีละเร็ว อัลอาคราชเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ที่ไม่ศรัทธาตวอนอาคราดดื้อรั้นกับอัลลอสุบฮานอัตาลลาก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมองทะลุผ่านดุนยาไปยังอัคราดได้ก็เลยยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติกับลูกหลานหรือกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดุนยาทั้งหมด นี่แหละที่อลอสเวตาลาพยายามจะบอกเราพยายามที่จะเตือนเรานะครับไม่ให้เราเป็นอะไรครับเป็นทาสของดุนลกไม่ให้ดุนลกอยู่ในหัวใจแต่ให้ดุนลกอยู่ในมือดุนลกจะต้องไม่อยู่ในหัวใจแต่ต้องอยู่ในมือะถ้าถ้าดุนลกอยู่ในหัวใจปุ๊บมันจะวควบคุมเราทั้งหมดแต่ถ้าดุนลาอยู่ในมือเราเราจะเป็นคนคุมโลกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ คำตอบนะครับคำเฉลยนักศึกีรหลายๆคนนะครับได้อธิบายอย่างนี้กันหมดทุกคนเลยบ้นจะิบูนละอาเจลละแะซารูนลอัคระเลพวกเจ้าหนนละทิ้งอาคระไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติทำอามัลความดีต่างๆที่จะทำให้เรานั้นนะครับกลับไปสู่อาคระสุบฮานะลอ มีอายะห์หนึ่งที่ผมเพิ่งอ่านวันนี้ซึ่งบางทีเราก็ลืมนึกไปนะครับอายะห์เจ้าละซะลาพูดถึงในสุรักษะนะครับอันนี้อยากจะเอามาเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับเพราะบางทีเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราลงทุนเยอะพี่น้องคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราลงทุนไปกับอะไรเยอะที่สุดตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยอะ แรงของเราเงินเดือนของเราน้ำพักน้ำแรงที่เราทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเราลงทุนไปกับอะไรเราเราใช้มันเพื่อใครมากที่สุดครับมีคาตอบไหมเราใช้เพื่ออะไรเราใช้ในการสะสมอะไรและก็ไปใช้บริการใคระส่วนใหญ่มันจะหนีไม่พ้น เวลาที่เรามีเงินเวลาที่เรามีตังเนี่ยก็จะเอาไปสะสมนะครับเป็นสมบัติของเราหรือไม่ก็เอาไปให้กับครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวนะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะที่เราทำงานเพื่อครอบครัวสร้างฐานชีวิตของตัวเองนะถ้ายังไม่มีครอบครัวก็หาครอบครัวก่อนนะหาภรรยา มีภรรยาแล้วก็มีลูกมีลูกแล้วก็มีหลานนะครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปของมันไปถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับแต่บางทีมันอาจจะทําให้เราหลงลืมอเครัตได้ยาอือฮัแล้วีน่าอัมรุ ล, ล, ละทูลฮิคุมอะบวอาลุกุมวะลาอูลาดุกุมอันซิกคริลละอินนามะอับวอาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตเน จริงๆแล้วการที่เราใช้จ่ายเพื่อลูกหลานเพื่อครอบครัวเนี่ยมันได้บุญนะแต่บางครั้งเราลืมตอนที่เราให้ไปเราไม่ได้นึกว่านี่เรากําลังทําดีทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์มันก็เลยอาจจะฟรีคือให้นะ่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้บุญกลับมานึกพ่อพอบอกไหมครับเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงหรือบางทีเราก็นึกว่าเออเราให้ลูกเราไปแล้วเรานะทํานู่นทำ น, นี้ไปแล้วเนี่ย มันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบไนาะะตะอัลามากขึ้นทำให้เราลืมที่จะทำอมามัลความดีอื่นๆด้วยมัวแต่สนใจกับสมบัติของเรามัวแต่สนใจกับลูกหลานของเรามากเกินไปอัลลอฮฺตะอลาได้มีคำสั่งว่าไ ด, ได้เตือนสติเรานะครับว่าเนี่ยอายะกลุม่มอายัหนี้นะ่าสนใจมากๆนะครับในสุรษะศบักนะครับสุรษบะบตั้งแต่อายัหที่ สักประมาณสามสิบห้าสาสิบห้าจนถึงสามสิบเก้าจากซรัสนะครับในอายะที่สาสเจ็นี่อัลลตาบอกว่าอย่างนี้อัลลอฮฺตรัสบอกว่าว่าม์อัมวาลุกุมวะลาอูลาดุคุมบินละทีตุคัรรบุคุมอินดะนาซุลฟไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเจ้าไม่ใช่ลูกหลานของเจ้า ที่ทําให้เจ้านั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ال ا ل อัลลอฮ์อลลอฮ์สุบัตสมบัติที่เราอุตส่าห์สะสมลูกหลานที่เราอุต ส, ส, ส, ส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์ส่งเสียมันไม่สามารถที่จะทําให้เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ถ้าไม่มีปัจจัยอิลลามันอามันและ عمل ص ا ل ยกเว้นผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ทําอัมแลลซอ่แหละโดยตัวของสมบัติเองโดยตัวของลูกหลานเองไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮฺฮาวตานะได้แต่สิ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ก็คือการที่เราศรัทธาต่อพระองค์การที่เราทําอัมแลลซอ่แหละอันนั้นต่างหากที่จะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นต้องชั่งให้มันสมดุลกันนะครับ ลูกหลานก็ดีสมบัติก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นอัลอาจละชอบไหมครับชอบกันละเบลทุฮิบูนั่นแหละพวกเราทุกคนชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่เร็วสิ่งที่เห็นชัดในโลกตุนยานี้แต่เรากลับละทิ้งสิ่งที่เป็นวัตาซารูนระัลอาเจาะเพราะฉะนั้นจะทำยังไง จะทำยังไงจะลงทุนในชีวิตของเราด้วยสมบัติของเราก็ดีด้วยลูกหลานของเราก็ดีให้มันเป็นสิ่งที่ประโยชน์ของมันเนี่ยคุณค่าของมัน น, น, นำเรากลับไปสู่อัคราชให้ได้สมบัติของเราทำให้เรากลับไปสู่อัคราลูกหลานของเราทำให้เรากลับไปสู่อัคราชให้ได้เพราะว่าในวันอัคราชนี่มันมีสิ่งที่เราจำเป็นมากๆ ม, มันมีความสุขที่มีความสุขมา ก, มาก ซึ่งมันไม่มีในดุนยาในจำนวนความสุขที่มันไม่มีในดุนยาก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสวาบัลลาบอกในอายะฮ์ข้าไปอุจูฮุน يوم إذن ناظرة إلى ربه ناظرة ใบหน้าส่วนหนึ่งในวันนั้นนี่จะเจอจระดมีแสงสว่างมีรสมีดีใจมีความสุขน اظرة ใบหน้าคนนี้มันก็แปลกเหมือนกันเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยก็จะเห็นจากใบหน้าใช่ไหมครับเวลาที่เราดีใจเวลาที่เราทำมาค้าขายได้กำไรปิดไม่ม่ด อ, อกว่า <c oughs> ตัเองกำลังดีใจอยู่ในทางกลับกันเวลาที่เราโกรธใครเวลาที่เราเศร้าเนี่ยจะปิดยังไงจะเอาอะไรมาทานหน้ามาแต่งหน้ายัางไงมันก็ปิดไม่หมันปิดไม่ได้ว่าเรากาลังเรากาลังทุกข์นี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากในใบหน้าของเราเนี่ย นั่นหน่อยๆอยังไงรู้แล้วว่าต้องมีปัญหาดูได้จากใบหน้าคนอะครับเนี่ยมีอยู่สองใบสองสอ ง, สองใบหน้านี่แหละวุ้จุหุนเยามาอายุนาวเระมีพวกหนึ่งที่ใบหน้านั้นแจ่มใสนะวู้จุหุนเยาวมาอายุนาวเสระแล้วก็มีใบหน้าอีกหลายใบหน้าในวันอะครับเนี่ยจะขมวด ข, ขมวดคิ้วจะหน้าดำคร่ำเครียด ไม่มีแสงสว่างไม่มีรัศมีเลยคนที่แจ่มใสเนี่ยเป็นยังไงเพ ร, เราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้เห็นอัลลอฮ์ س ب ح ละอัลกุรอานพดูดเชันเนอีลารอบบีฮะน่าซิรอะพวกเขาจะได้มองไปยังพระพูอภิบาลของพวกเขาในวันอาครั์อันนี้คือสิ่งที่ไม่มีในดุกนี้ ในดุนเนียเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นพระพักตร์อันงดงามของอัลลอฮฺซุลแลาไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นแต่ในวันอัคคีรัตสิ่งที่ทําให้มนุษย์คนหนึ่งบ่าวคนหนึ่งมีความสุขมากที่สุดก็คือการที่เขาได้เห็นอัลลอฮฺซุลและตามสภาพที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ไม่สามารถที่จะจินตนาการไปได้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่ ฟิซุดของที่สุดในวันอัคราลลอฮุซワลลัลลอตฺอะลัยฮิสซาลาหมุนอะลัยฮิลาลลอฮฺิอฺอะลลอฮฺอะลลาบุบะวะเยอะเลยหมายความว่าผลตอบแทนของมนุษย์ในวันอัคราเนี่ยเราจะจะตอบแทนด้วยความสุขในสวรรค์และเยอะแยะมากมายละจนกระทั่งไม่หวาดไม่ไหวที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปอีก นอกจากความสุขปกติในสวรรค์ก็คือวาเซียดาวาเซียดาตรงนี้เนี่ยบรรดานั ก, กับุญอธิบายว่าคือการที่ชาวสวรรค์เนี่ยได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุบฮานฮุวาตัลละทุกทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นเนี่ยจะมีตลาดนัดในสวรรค์เราจะได้ออกไปชาวสวรรค์เนี่ยพอถึงวันศุกร์เนี่ยจะได้จะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับออกไป เตะเตะจะไปเที่ยวชมในสวรรค์ไปเจอคนนู้นคนนี้นะแล้วก็พออยู่ในสวรรค์กันในขณะที่เด็กําลังมีความสุขไปเจอคนนู้นอนนี้อัลลอฮ์สุลฮามตะลาก็ะจะทรงเสด็จมาจะเสด็จมาเมื่อ น, นั้นแหละที่พวกเขาทุกคนก็จะก้มสุญญุแล้วก็จะได้เงยหนนะ้าได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุลฮามตะละกันก็สื่อบางคนบอกว่าการที่มุกมินได้เห็นอัลลอฮ์สุลฮามตะลาในวันอาคราตเนี่ย ก็มีความแตกต่างกันด้วยมีระดับที่แตกต่างกันบางคนได้เห็นทุกวันมุครัตันวะอัชชียะได้เห็นอัลลอฮ์ทั้งเช้าทั้งเย็นอัลลอฮ์นี่คือคนที่ระดับที่เขาเรียกว่าระดับใกลชิดระดับที่สูงที่สุดละได้เห็นทุกวันได้มีความสุขทุกวันในขณะที่บางคนได้เห็น สัปดาห์ละครั้งก็คือวันศุกร์หรือวันที่มีตลาดนัดของชาวสวัสดิ์พี่น้องครับในดุนยาเนี่ยเวลาที่เราได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยเราบางทีไม่กินไม่นอนลืมข้าว <laughs> ลืมที่จะกินข้าวลืมที่จะกินน้ำแล้วนั่งแชทอยู่กับคนที่เราชอบนั่งมองไม่ยอมทำอะไรเออ หรือสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กเฟซบไม่มีสมาร์ทโฟนนะเอารูปของคนที่เรารักไปใส่ไน่นะไปใส่ใ น, นกระเป๋าตังค์อ่ะพอ น, นึกถึงก็อเปิดกระเป๋าตังค์ดูนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ไกลคนละที่คนละแห่งกันดูดูไปก็ยิ้มไปใช่ไหม่ต้องกินข้าวกันแล้วอันนั้นลืมหมดความสุขอย่างอื่นเพราะได้เห็นคนที่เรารัก พี่น้องลองคิดดูเวลาที่มุกมินได้เห็นอัลลอ์เนี่ยสุบหอัลลอฮ์ความสุขในสวรรค์ที่เราอธิบายไม่ได้แต่มุกมินเวลาที่ได้เห็นอัลลอ์ราแต่ละจะลืมความสุขทั้งหมดในสวรรค์เพราะวะ่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากกว่าความสุขทั้งหมดที่มีอยู่ในสวรรค์หมดเลยอัลล na ์ว่าคอัลลอฮมนาะลันะอัลลอฮมนาะลันะนี่แหละคือ ความยิ่งใหญ่นะดูอ่านที่ผมสอนไปเมื่อรอบที่แล้วหรือเปล่าวัลสัสวัลัสอลุกะลัตเรตันนวารอิลลัวเจคขอดูอ่านต่อ a l l ให้เราไ ด, ไ ด, ไดา้ได้มีความสุขได้มีความถ้าแปลาตามตรงก็คือความอริดอร่อยและันนและเตันนี่แปลว่าอร่อยถ้าแปลถ้าอาหารนี่แปลว่าอร่อยคือดูแล้วมีมีความสุขในการที่ได้เห็นพระพักตร์ของล l l a h ทรงทานของลรานะครับ Allahumma innana as'aluka aljannah Allahumma innana as'aluka لذة النظر إلى وجهك برحمةك يا أرحم الراحمين أمين أمين يا رب العالمين อ่าน um na um na ี่คือบุคคลที่นะครับเข้าใจนะครับว่าวันอัคราอันเนี้ยเป็นตัวปลุกเป็นแรงบันดาลใจที่จะทาให้เรานั้นต่อสู้กับพาวนับสู้ของเรากับความเน่าเฟะของดุน ي ة ถ้าดุนยาเนี่ยมันมีทุกอย่างที่สามารถจะให้ความสุขกับเราขอให้จำเอาไว้ว่ามันไม่มีสิ่งนี้ดุนยาไม่มีสิ่งนี้ถ้าคุณอยากจะได้สิ่งนี้คุณต้องกลับไปอาเครัตเท่านั้นอย่างอื่นคุณอาจจะมีในดุนยาได้ความสุขในสวรรค์บางอย่างนี่ในดุนยามันก็มีมันอาจจะไม่ถึงขั้นในสวรรค์อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอะไรบางคนบอกว่า ในสวรรค์มีเหล้าไม่อยากจะกินเหล้าในสวรรค์ก็เลยกินเหล้าในดุน ي ا ไปซะก่อนเอาสุบินแหละเป็นจริงอยากจะกินอะไรในสวรรค์มีเนื้อมีต้นมีผลไม้ออกเขาบอกอันดุน ي าก็มีเอโอเคบางอย่างหรือทุกอย่างหลายอย่างที่มีในสวรรค์นในดุน ي ามีแต่การได้เห็นอัลลอฮฺสุบไนาะอัลตะลาถามว่ามีไหมในดุน ي าคนที่ยึดติดกับดุน ي าเพราะคิดว่าดุน ي านี่คือสวรรค์ของเขาถามกลับเขา ถามกลับไปว่าแล้วได้เห็นอะไรที่มันไม่มีในดุนยาไหมในสวรรค์เนี่ยนอกจากเน่ยแต่ได้เสพสุขแล้วเนี่ยอัลลอฮุบไนอัตลอไม่อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นนะครับพระองค์อัลลอฮฺุบนาะอัลลอฮฺในดุนยานี้เด็ดขาบเคยมีไหมครับเหตุการณ์ที่ว่าคนที่อยู่ในดุนยาแล้วขอขอดูอัลลอฮฺนะเคยได้ยินไหมจำได้ไหมใคร ใครที่เคยขอดูอัลลอ์ในดุเนยียเรารู้ไหมมีกลุ่มคนที่อาตฐานอวดดีตะกบบอร์กับอัลลอฮ์ سبحانه แล ะ, ะ تعالى ไปขอกับนบีคนหนึ่งบอกว่าเราจะไม่ศรัทธากับเจ้าจ น, จนกว่าเราจะเห็นอัลลอจะจ ะ, จะกับตาเราเองใครครับ พวกนีน nah, nah, uh uh, ีอิสรอลนะพวกของนบีมูซานบีมูซานเนี่ยที่สุดละนะดว่ามนีอิสรลพวกยิวดีหลายวิธีมากดื้อรั้นจนไม่รู้จะทำยังไงดื้อกับท่านนบีมูซาอะลัยลขอ่นขอนี้ไม่ยอมหยุดขอจนกระทั่งขอเห็นอัลล์จะเตะ س อัลลอฮ์ ลอสบอมบ์ตัลทำยังไงครับโอเคนะเรียกไปเจ็ดสิบคนไปที่ภูเขาทูร์ซินเขาซินขอดูอัลลอฮตบอสลาอัลลอฮฺสั่งอะไรบอกว่าเล่นตารานีอ่าล่นอะไรนะพวกเจ้าไม่สามารถที่จะมองเห็นชั้นในดุนใานี้ถ้าอยากจะเห็นชั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองดูก่อน ให้ทำยังไงสุดท้ายเราองทยังไงทเจลลารบบลิลจลองเลเผยให้ภ ra um ูเขาให้ภ ma ูเขายังยังไม่ให้มนุษย์เห็นก่อนให้ภูเขาก่อนได้เข้าถึงตัวตนของพระองค์ได้เห็นอกเอะว่าภูเขาเป็นยังไงแต่ว่าตลลารบบลิลจลจลก็คือภูเขาภูเขาซึ่งมีกาลังมากกว่ามนุษย์ มีแรงรับมากกว่ามนุษย์แต่ว่าพระลอสซาลาเบยพระองค์ให้กับภูเขาเนี่ภูเขาแตกกระจุยแล้วคนที่เห็นภูเขาแตกกระจุยนี่เป็นยังไงตายหมดตายหมดครับไม่ได้เห็นอัลลอฮ์เห็นภูเขาแตกเนี่ยตัวเองก็ตายแล้วแล้วนับภาษาอะไรเวลาที่ได้เห็นนะครับอัลลอฮ์สุบฮาวซาลาจริงๆนี่คือความอหังกาของพวกยโฮดี นะครับที่ต้องการเห็นอัลลอฮฺสุตบตอลาในโลกดุนยานี้สุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วอลัลลอฮฺก็ทือ ฟ, ออฟอื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งละอิลลัฮ์อิลอฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ศรัทธาไหมยังติ่ศรัทธาอีกอันนี้คือที่สุด ข, ของที่สุด ข, ของความดื้อรั้นเลยแล้วไม่มีแล้วในโลกนี้ที่จะดื้อรั้นมากไปกว่านี้อีกลนะอัลลบิลลฮิมิราลิกนะฮาวล า, วาอลาอฮวะตะอลลาบิลลเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นขขอัลลอคืขขอ การที่เราได้เห็นพระองค์ในสวรรค์เท่านั้นนะครับในโลกดนยานี้ไม่มีโดยเด็ดวาวูยูฮุนยอมาอีริมบอร์เในทางกลับกันใบหน้าอีกหลายใบหน้าในวันนั้นจะขมวดจะ น, น่าดาครับเพียกะรุนอันยุ่งลีบิฮาฟะติรอมันรู้แตุ่นนูตรงนี้ก็คือรู้แล้วมือนคาดและรู้แล้ว แน่นอนแล้วว่าอยู ah ่ภายหลบอีเหอเตรมันจะต้องประสบกับความน่ากลัวจะต้องทจะต้องเจอกับสิ่งที่โหดร้ายน่ากลัวซึ่งเหมือนกับว่ากระดูกสันหลังนี่จะจะหักฟากเอระหมายถึงกระดูกสันหลังเวลาที่เราพูดถึงคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เจ็บหนักๆเนี่ยใช่ไหมครับ ในดุนยาเองเนี่ยหรือสํานวนที่เวลาที่เราใช้เนี่ยกระดูกสันหลังนีน่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรเขาเรียกมันเป็นอวัยวะหลักของมนุษย์อถ้าไม่มีกระดูกสันหลังนี่ก็คือไม่มีละี่ยตายละหรือบางทีเวลาที่เขาผ่าตัดถ้าผ่าตัดอย่างอื่นเนี่ยเขายังเขายังมีความรู้สึกอะไรเขาเรียกยังเบาบางหน่อยแต่ถ้าเป็นกระดูกสันหลัง เคยมัย้มีใครที่เคยพ า, ากระดูกสันหลังบ้างเวลาที่เขาบล็อกหลังเวลาที่เขาอะไรนะเอาไขสันหลังออกมาเนี่ยอาอักบัรนะอ um ูซุบิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนานะซอลุกัลอาฟีเราไม่เคยเราไม่รู้มีใครมีเคยบ้างแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเนยจะเป็นจะเป็นสิ่งที่นะที่เจ็บมากนะครับเจ็บปวดมากอัลเลาตะาลาใช้สำนวนนี้ ในการอธิบายความรู้สึกของคนที่จะต้องเข้านรกได้รับการลงโทษของพระองค์ในวันอาขรรค์ก็คือจะต้องเป็นเรื่องที่มันเสียวสันหลังเห็นไหมแม้กระทั่งสำนวนไทยก็ยังมีเลยหุ้ยแว๊บนะผมมันแว๊บหลังเี่มันเกือบมันเหมือนเหมือนกับปึ๊บขึ้นสมองแบบทันทีทันใดอะเส้นประสาทที่อยู่กับกระดูกสันหลังในเวลาที่มันเสียวสันหลังอ่ะเห็นไหมครับหุยเสียวสันหลังไม่รู้มันมาได้ยังไง เวลาที่กลัวผีเนี่ยเสียวสันหลังไหมหรือเวลาที่นั่งกับใครที่ขับรถเร็วๆใครที่ขับรถเร็วๆคนที่นั่งข้างๆเสียวสันหลังว่ามันขับรถเร็วเห็นไหมอันนี้คือความรู้สึกของเราเราดดุนนุอันยุฟอะไรดีฮะสัตอเนาเหมือนแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยเวลาที่ไปอยู่ในวันอาคราเนี่ยเห็นแล้วว่าตัวเองจะต้องโดนอะไรบ้างเนี่ยสันหลังนี่ไม่อยู่นิ่งละคือคือเกิดอาการกลัวเกิดอาการสั่น อยู่แบบไม่เป็นผู้เป็นคนละนักสุบินละนั่นแหละนี่คือนะครับสองพวกที่เราเห็นชัดเจนซึ่งอัลลอฮฺสุบไนลาจําจแนกคนสองพวกนี้ให้เห็นชัดเลยใช้คําว่าอุยูหุนและก็อุยูหุนใบหน้าพวกหนึ่งและใบหน้าพวกหนึ่งแยกเลยฝ ر ي ق ุลในจันนต์และฟรีกุลในสัย อันย yeah. <t> um <nen> ่อื่น yeah. น ah um nah, um um um ี่แล้วตาลาบอกว่ากลุ่มหนึ่งได้เข้าสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งได้เข้านรกอัสซี่ั้นทีกัฟรุอีนะซูรบันดาชาวกัฟร์ที่ปฏิเสธสัทต์ต่อเราจะถูกจูงไปเข้านรกแบบซุมาระเป็นพวกพวกในขณะที่ชาวสวรรค์อัสซี่ั้นที่นักทักวอรับบุมอลานซมระ ในส่วนที่ซูมาร์ที่อัลลอฮฺตรัสบอกว่าเวลาเข้าสวรรค์ก็จะเข้าเป็นโมมูเป็นกลุ่มปุ่มแยกชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเลือกเองว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนเราจะอยู่ในซุมาร์พวกไหนซูมระกองอัลมุตติคีนหรือว่าซุมาระของอัลคาฟิรีนเลือกได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นใคร ตอนตอนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ตอนที่เราจะตายเนี่ยเราเลือกนะว่าเราจะตายแบบไหนหมายความว่าเราจะทำตัวแบบไหนให้ตายในสภาพไหนนักตับย์ซีหรือว่าอุลามะหลายคนที่บอกว่าใครที่มีชีวิตอยู่ยังไงเขาก็จะตายอย่างนั้นระวังให้ดีใครที่ใช้ชีวิตวันวันใช้ชีวิตยังไงเขาก็จะตายอย่างนั้นแหละ ถ้าอยากจะตายในสภาพที่ดีก็ต้องทำดีทุกวันแต่บางคนก็บอกว่าความตายไม่ได้รอให้เราเป็นคนดีก่อนแล้วมันจะมาหาความตายที่มันไม่มาหาเราเนี่ยแปลวะ่าเออรอให้มึงเป็นคนดีก่อนแล้วกูจะมาหามึงไม่ใช่เป็นคนดีซะก่อนแล้วรอให้ความตายมาหาเข้าใจไหมครับคืออย่ารอให้ อย่ารอให้ความตายมาหาแล้วเราจะเป็นคนดีไม่ใช่เราเป็นคนดีก่อนแล้วก็พร้อมความตายจะมาเมื่อไหร่ก็โอเคไม่กลัวละอยากเข้าใจผิดว่ายังไม่เป็นคนดีก่อนอะไรออยังไม่ตายก่อนรอก่อนรอให้ความตายมาหาแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นครับเราต้องเป็นคนดีก่อนแล้วก็โอเครอได้เลยตอนนี้รอได้เลยความตายมาเมื่อไหร่ก็โอเคนะยะอือฮะแล้วีาอมตักุลลอ์ حق ตุ قات ิ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ตายยกเว้นในสภาพที่เราเป็นมุสลิมแสดงว่าต้องรอนะต้องเป็นคนดีรอไว้ก่อนไม่ใช่รอให้มันมาแล้วถึงจะเป็นคนดีไม่ใช่ไม่อย่างนั้นละข้อละถ بلغت تراقى เวลาที่ความตายมาเนี่ย แบบแล้วก ต, ตรากีหมายถึงว่าเวลาที่วิญญาณเนี่ยมันขยับเข้ามาถึงอันนี้ก็เรียกว่าอะไรลูกกระเดือกอัตรากีเวลาที่วิญ ญ, ญาณมาถึงลูกกระเดือกปุ๊บตรงนั้นแหละความกระวนกระวายของมนุษย์กย็จะมาทันทีนจะเป็นยังไงว่ากี้ละมันรอแล้วก็จะมีคนถามอ่ะเวลาที่คนใกล้ตายเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการอะไรครับเขาจะอะไรสอนใช่ไหมครับสอน ต, ตรรกะเดี๋ยบางทีก็อ่านดูอาหรือบางทีก็อ่า น, อ, า อ, า อ, านอัลกุรอานอันนี้ก็เป็นคลิฟกันระหว่างอุลามะว่าอา่าน อ, อัลกุรอานในคนใกล้ตายได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับแต่จะบอกว่าเวลาที่มีคนจะตายเนี่ยก็จะมีคนมามุงดูกันเต็มมันไม่ว่าจะเป็นการมาชุมนุมกันเพื่อส่งแต่ว่า จะหาคนว่าวิากิอะไรมันรอกใครจะอ่านดูเอายใครจะว่าอะไรอันเนี้ยก็คือสภาพของคนที่ใกล้ตายะอ แ, แล้วแต่และเหมือนกับต้องการให้เราเห็นสภาพว่าคนใกล้ตายนี่เป็นยังไงแต่เวลาที่ใกล้ตายเนี่ยเขาจะหาคนนั้นมาอ่านคนนั้นคนนี้มาอ่านตอนที่ยังไม่ตายนี่ไม่มีใครจะอ่านไม่มีใครที่ตัวเองก็ไม่อ่านตัวเองก็ไม่อ่านแต่พอใกล้ตายปุ๊บโอเดี๋ยว เอาคนนั้นมานเอาคนนั้นมาเอาคนานี้มาให้ช่วยอ่านนี่คือสภาพของคนใกล้ตายอักีแล้วมันรอดนี่ใครจะอ่านอะไรเนี่ยใครจะอ่านอูอา่านอยเนี่ยกาลังเจ็บกาลังกำลังจะไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับนะอธิบายสภาพว่าเป็นอย่างงี้ฟรแล้วก็เหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าไม่มีแล้ว กำลังจะจากไปจริงๆแล้ววันเตฟติสซาปูบิซ่าอัลลอฮฺบอกว่าไม่มีการอธิบายสภาพความตายที่จะที่จะที่จะชัดเจนไปกว่านี้แล้วอิลเตฟติสซาปูบิซ่ามันก็บ่าช่วงเวลาวิกฤตช่วงเวลาวิกฤตมากเวลาวิกฤตอสากเนี่ยจริงๆหรือไม่ถึง อ่ามัถึงหัวเขา่าหัวเขา่าสองหัวเข่ามาชนกันเรื่องยิ่งใหญ่สองเรื่องมาเจอกันวิกฤตสองวิกฤตมาเจอกันอ่นี่เขาอธิบายว่ายังไงความคับขันรุนแรงในห่วงสุดท้ายของชีวิตโลกมาบรรจบกับความคับขันรุนแรงในห่วงแรกของชีวิตอาเคาระมันเป็นเหมือนกับ เขตแดนระหว่างสองโลกโลกดุนียกับโลกอะเครัส ก, กาลังจะมากาลังจะมาเจอกันเป็นช่วงวิกฤตของโลกดุนญยที่กำลังจะออกไปจากร่างของเราวิญญาณซึ่งเราไม่รู้ว่มันจะออกไปยังไงและเป็นช่วงวิกฤตที่กำลังจะท่ามเข้าไปในในะอีกเขตแดนหนึ่งก็คือเขตแดนของมวนอะเครัสซึ่งไม่รู้จะเจอกับอะไรอันนี้แหละคือความหมายของคาว่า والتفة الساق في الساق إلى ربك يوم إذن المساق วันน exactly. really. ั no ้นแหละที่จะถูกลากถูกจูงกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานัตะอฮว่าการการที่อัลลอฮสุบฮานลอเอาภาพแบบนี้มาอธิบายให้กับเราเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากนะครับแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินทางอะ เวลาที่เราจะผ่านข้ามแดนน่ะอุย้ยมันเป็นช่วงวิกฤตนะมันเป็นช่วงที่แบบว่า job passport อะเห็นไ่ม job passport เนี่ยจะผ่านทีละทีละขั้นตอนนี่มันโอ้ว่าจะจบกว่าจะอะไรได้หลายเรื่องนะความตายของมนุษย์ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะจบชีวิตในโลกโลกนี้แล้วก็จะเข้าสู่อีกโหมดหนึ่งในวันอาแคระซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรเนี่ยมันมันเกรงมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลย โดยเฉพาะคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala คนที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h เนี่ยคือเราไม่รู้จัอธิบายอย่างไงขนาดผู้ศรัทาธาก็ยังต้องเจอกับเหตุการณ์นี้นั่นแหละที่ต้องมีมาลายกัสมาคนที่จะตายทุกคนจะต้องเจอกับความรู้สึกการทดสอบจากาาาล l l a h Subhanahu Wa t a a า a Fitnatul m a u า Fitnatul Mamat คนที่จะตายทุกคนจะต้องเจอกับบททดสอบก็คือบททดสอบที่ชาตอนจะมาหลอกลวงมนุษย์ใช่ไหมครับอย่ชาตอนจะมาหาเราสามสามสามสามเหตุการณ์สามสถานการณนะ์ตอนที่เราเกิดตอนที่เร า, เาร่วมหลับนอนกับภรรยาและก็ตอนที่เราจะมีชีวิตจะมาหลอกลวงเรานะตอนที่เราจะเสียชีวิตก็เหมือนกันมันมาพร้อมกับอะไรนะาการหลอกลวงของมัน รายละเอียดเป็นยังไงใครจาได้บ้างซึ่งมันเป็นช่วงการเสียชีวิตเป็นช่วงอุกฤตมุกมินเองก็จะต้องเจอแต่ว่ามุกมินจะได้รับการปกป้องจะมีพี่เลี้ยงก็คือบรรดามาเลย์กัสลงมาอัลชาอัลลอฮ์มีคนช่วยนะมีมาเลย์กัสส่งมาที่อัลลอลาส่งมาให้อยู่แต่เขานะมาให้เขาดีกับเขาว่าไม่เป็นไรนะแล้วอะไรนะ อิ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر ب ا وا ل ج ن التي كنتم توعدون بدأ คุณท استقامة คุณที่สัตย์ต่อ استقامة นั่นดั้มน ي م ا ن บุญงา صالح เนี่ยฮกจตย نزل عليهم الملائكة แม่เลี้ยจะลงมา เพื่อที่จะมาบอกว่าแล้ตะค้าวฝูอย ok ่ากลัวแลตาพะเจนุอย ja ่าสงส้าเลยสงส่าเพราะอะไรก็จะทิ้งคนที่เรารักเอาไวปข้างหลังกลัวเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะเจอกับอะไรข้างหน้าแล้ตาขาวฝูอย่ากลัวข้างหน้าเวลาพะเจนุอย่าสศร้าเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทิ้งไว้ข้างหลังจงรับเขาดีเถอด ด้วยสวรรค์ที่อัลลอฮตาลาได้สัญญาเอาไว้ให้กับพวกเจ้าแล้วแล้วิญญาณของมุมินเนี่ยจะออกมาเนี่ยเหมือนกับน้ำที่ออกมาจากออกมาจากกาไหลเอือยแล้วก็จบไปในขณะที่วิญญาณของคนกาเฟตเนี่ยจะถูกกระชากออกแบบเจ็บนะอัลลอฮฺบิสมานเจอันนี้คื อ, อาการอธิบายวันเกียมัด ความตายก็คือการเริ่มต้นของแกมะดสำหรับแต่ละคนอัลลม่อนาอูบิกมนกราติลมวท่านนบีเองสัลลัลลอฮัลลัมตอนที่ท่านเสียชีวิตอาอิชฮ์คอยเอาน้ำมาลูท่านนบีสัลลัลลอฮฺัลลัมนะนั่นแหละท่านบอกว่าอินนัลลมุติลสักราให้เราขอดุดมนะครับให้ักษาเรานั้นเบาผ่อน ความเจ็บปวดของความตายนะลาฮาอลลอฮิวาลาโธตะอิลลาบิลลาเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือฮสิี้แหละแความตายนี่แหละที่จะตัดความสุขความสุขความเผลอความหลงนะความตะเวรของเราในโลกดุนยานะถ้าไม่นึกถึงความตายเราก็ยังตะเวรอยู่ยังหลงอยู่ยังไปไม่สุดไม่สุดไม่สุดไม่สุดไม่สุดแต่พอเราเร้นึกถึงอายัดแบบนี้ เราได้เห็นการที่อัลลอฮฺทรงแต่ละอธิบายสภาพของเราในขณะที่เรากำลังจะเสียชีวิตในขณะที่เราได้เห็นสวรรค์ได้เห็นอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยดึงเรากลับมาให้เราทำให้เราใช้ดุน ي ة เพื่ออาคีรัดมนุษย์เนี่ยมจะมีอยู่สองกที่หลงนะครับบางคนก็คือไม่เอาดุน ي ة เลยแต่บางคนก็คือไม่เอาอาคีรัดเลยแต่มุสลิมจะอยู่ตรงกลาง เอาดุ نية ไปเพื่ออาเครัตเราจะไปอาเครัตไม่ได้ถ้าเราไม่มีดุนียเราจําเป็นต้องใช้ดุนียเพื่อเอาไปอาเครัตจะใช้อย่างไงจะลงทุนอย่างไงนี่แหละคือคําถามนะครับเราจะลงทุนกับลูกของเรายังไงกับลูกหลานของเรายังไงกับครอบครัวของเรายังไงเราจะลงทุนกับสมบัติที่เราหามาได้อย่างไงเพื่อให้เราได้กลับไปใช้ในวันอาเครัตต่อไปนะครับนี่คือโจทย์สําหรับมุสลิมสําหรับมุสมินทุกคนที่หวังจะกลับไปหาอัลลอฮ์มุฮัมมัดละ เอ a ความศักในสวรรค์ตอไปนะครับเนวันขึนอัลลมะอินะ سأل ุคล جنة อัลลอฮมล نا من أصحاب الجنة ر ح م ة ك يا ح ا ل ر ا ح م ي นะนนะครับอัลลอฮ ت ل ى ص ل الله ل ي ن ا محمد على آله و ص ح وسلم ب ح ا ن ر ب رب العزة أ س ِ ف و ٰ ن س ل ا م ع ل ى ا ل م ق س ل ي ن َ الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ي السلام ع ك م